เราปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องรูปธรรมนามธรรมให้ชัดเนี่ยมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่เร า, เารู้สึกไม่แน่ ใ, นใจไม่มั่นใจในการศึกษาและเวลาเราไปทำมีอุปสรรคปัญหาอะไรไดหน่อยเช่นความง่วงความเบื่อ ความคิดเข้ามาเราก็จะเกิดการลังเลและหวั่นไหวว่ามันเป็นอุยสัรมันจะทำให้เร า, าไม่รู้ตัวหรือ ร, รู้ตัวน้อยไปทำให้เราไม่สดชื่นไม่แจ่มใสนแต่ถ้าหากว่เรารู้หลักที่ไปที่มาของมันไม่ว่าสิ่งที่แสดงออกเนี่ยมันเป็นทางฝ่ายลบหรือฝ่ายบวกเนี่ย มันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ถ้าเราใช้มันนะที่ว่าลูกทนมนำทำเมื่อวันก่อนเราพูดถึงรูปรูปนามนามลูกลูกโลกนามโลกรูกทมนามรมวันนี้นะในวิธีการบทเทียนในสิ่งที่สัมผัสได้ถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าใจที่ความรู้สรู้สึกตัวเนะี่ย ความรู้ความรู้สึกตัวความรู้สึกกายและความรู้สึกใจนะและความรู้สึกเฉยๆซื่อๆนะอาการรู้เหล่านี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจมันก็จะทำให้เราเลือกใช้มันนะถ้ามา น, นึกขึ้นได้ว่าเออเราจะมีประมาูปุประธรรมอย่างไรเห็นชัดว่า อันไหนมันเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นสันสัตยยานอันไหนเป็นความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนเป็นปัญญายานก็เลยว่าน่าจะมีรูปธรรมให้เห็นชัดให้ลุงตาไปเอาไฟเช็คเอาไม่ขีดขึ้นเชื้อรามาให้โอ้กลัวใหญ่ขนาดนั้นต้องมีมันมันไอตัวไม่ขีดมันไม่มันชุ่ม ก็นี่ก็เหมือนกันผมก็ไม่มีเขามีลองไปดูเขาเป็นไฟกด น, นั่นไฟแปลว่าที่กบบใหม่เล่าเพราะฉะนั้นเองในความที่เป็นรูปธรรมบางอย่างเนี่ยสมมติรู้ๆปั๊บความรู้มันก็ดับไปใช่ไหม แล้พอการดับไปของไม่ขีดมันกเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเป็นแก๊สเป็นแอชเป็นสโมกเป็นกลิ่นใช่ไหมโดยสัญชาติยานพอสัมผัสไปนีดเดียวเชื้อใหความรู้สึกตัวไม่แรงพอมันเป็นไงมันก็ดับใช่ไหมถึงพยายามกำหนดเท่าไหร่แล้วมันก็ดับเพราะว่าความรู้สึกตัวในตัวพร้อมคือกำลังของสติสัมยาไม่พอลักษณะนี้ เป็นความรู้ของสัสัญชตาตญาณมันติดติดแบบดับที่ถ้าหากเราทำให้มันเสถีย เ, เนี่ยทำไงก็ทำให้กำลังของตัวรู้นั้นให้เข้มแข็งขึ้นเหมือนว่าขีดไฟหรือไฟเช็คพอกดปับ๊บมันก็จะเกิดการติดเบินขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ตัวนี้พอใส่ตัวนี้ปับ๊บมันก็สว่าง ถามว่าไอแสงสว่างที่เกิดจากตัวนี้มันเป็นตัวของมันเองหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยมาจากทางอื่นมันลอยมาหรือเปล่าไม่ได้ลอยเพราะมีตัวนี้เพราะมีตัวนี้เพราะมีตัวนี้จึงมีตัวนี้ถ้ามีแต่เทียนโดยไม่มีไส้เนี่ยมันจะจุดติดไหมก็ไม่ติดเพราะไม่มีตัวสื่อนำนะพอติดตัวนี้แล้วก็เกิดแสงสว่าง เป็นแสงสว่างที่ดั้งเดิมก็คือเป็นแสงสว่างที่เราทำเองได้ต่อมามันไม่พอใช้นะเพราะไม่พอใช้เราก็มาพัฒนาเป็นแสงสว่างตัวเนี้ไอ้ที่นี้เวลาขึ้นเครื่องอะไรมีปัญหาทุกทีนะถ้าแบบ p o w e แบง n k เกินสามหมืวอนนี่มันเอาขึ้นพนั้นตรงนะเพราตัวนี้เป็น p o w ว r bank โดยเป็นไฟฉายด้แล้วก็มาพัฒนาไอ้แสงสว่างที่ตรงนี้ มันจะไม่สว่างแต่เมื่อมีแสงสวาง่สวางที่แรงกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็บางครั้งเราต้องการแสงสว่างตัวนี้เมื่อไม่มีแสงสว่างตัวนั้นตัวนี้หมายความโฟกัสเฉพาะเขาเรียกประชานาติคือหมายถึงตัวนี้คือเฉพาะจุดพอสัมประชานากาลีมันกลายเป็นตัวนี้คือกว้างกว่าถ้าหากว่ารู้ไปหลายๆจุดภาพตาอาปากหายใจเรียวซ้ายไหลขวา โยกตัวก้เมเงต่างก็เหมือนไฟเพิ่มหลายๆดวงใช่แต่ถ้าหากว่าเป็นเฉพาะประชาชนาติคือหมายถึงตัวเนี้ยคือมันชัดเป็นจุดๆเป็นสติแล้วพอมาเป็นอิบุตรย่อยก็ขยายเป็นตัวนั้นสมมติรู้ภับตาดวงหนึง่งหายใจ ด, ดวงหนึง่งรู้อ้าปากดวงหนึง่งรู้หนัก ที่นั่งทับดวงนึงรู้การโยกการต่างๆมันก็แยกเป็นดวงดว ง, ง, ง, งไปก็ทําให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็แสงสว่างขยายตัวทั่วพร้อมเพราะฉนั้นเองแสงสว่างเนี่ยเรามักจะเป็นตัวใช้มันถ้าจะเปรียบก็คือตัวรูปตัวรูปแสงสว่างที่เราเห็นเนี่ยสมมติเป็นตัวนามแต่ตัว แสงสว่างตัวนี้มันมีที่กำเนิดคือหลอดไฟใช่ไหมอพอหลอดไฟมันทำหน้าที่ส่งเป็นผลของการส่งทอดมาจากตัวไฟฟ้าตัวพลังงานที่ตัวไฟฟ้าตัวพลังงานมันก็ถูกเก็บสั่งสงมเอาไว้จากดินน้ำลมไฟแล้วแต่ซอสของมันจะมาจากไหนทีนี้ในความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาเนี่ยมันเหมือนพลังไฟฟ้าในตัวเรา นะแล้วก็พลังของเวทนานี่มาจากตัวไหนมาจากการกระทบของรูปต่อรูปใช่ไหมเช่นเย็นกระทบกายเราดูสึกเย็นร้อนกระทบะหนักกระทบกระทบแล้วก็ตัวก็สั่งสมว่าเป็นพลังเวทน า, นาตัวนี้คุณกุ้งคุณหลงไปปิดไฟลงก็จะเปิดตัวนี้หลวงพ่อเปิดเป็นหมหลวงพ่อตมีเทคนิคในการเปิดไอ้ตัวนี้ตัวนี้เขาใช้สําหรับ แก๊สค <Get. S 2> uh ือเปิดใช่ไหมดวนี้ก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาทีนี้พอเราเห็นว่าแสงสว่างเนี่ยมันรัศมีที่จะช่วยให้สายตาเราเห็นไกลไหม mm hmm. ก็เห็นวงแคบใช่ไหมรัศมีแค่เมตรหรือ2เมตร mm hmm. เราก็มาคิดว่าแสงสว่างแค่นี้มันไม่น่า จ, จะพอใช่แ่างมันแทรเขียนไหม ก็ไม่สเสถียร น, นี่เป็นสันสัติ์ยานนะทีนี้พอเราต้องการที่แสงสว่างมากขึ้นนี้เราเปิดขึ้นดวงหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยคุณกุ้งลงเปิดขึ้นชุดหนึ่งได้เปดชุดเดียวอ่ะคุณไปเปิดพร้อมหลายๆั้งไม่ได้ข้างหลังเปิดข้างหลังนู่นเปิดข้างหลังไปอีกข้างหลังนู้นไปอีกตัวเดียวเปิดแถวเดียว อ๋อแถวเดียวมีทั้งชุดเลยเหรอแถวล่างคือข้างหลังนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้จุดมันสว่างกว่าก็จุด น, นี้ก็ค่อยเฟดลงไปใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่ทำให้เกิดตัวนี้เออมีทั้งเทียนเทียนนี่เหมือนรูปแล้วก็ตัวไส้ในของเทียนเนี่ยเหมือนตัวเขาเรียกตัวรู้สึกที่เป็นเจตสิกแล้วก็มาเป็นตัวรู้ตัวสัชตาตญาณตัวนี้ ตัวตัวนี้ยังยังเป็นนามเวทนาอยู่เนะวลาทางกายเวลาทางจิตแล้วทําให้เราตามองเห็นอันนี้ก็เป็นดวสว่างซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องตัวนี้โดยสว่างที่กระจายออกมาเป็นนามล้วนๆ น, นามล้วนๆ น, อ น, นเองทําให้ตาเรามองเห็นนะทีนี้พอตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงเลยใช่ไหมตัวสัญชตาตญาณเป็นคือลักษณะของขึ้นอยู่กับกฎข้าอะไร แต่รักใมมันก็ปนไปปนมาแล้วแต่เหตุปัจจัยรอบข้างซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงแปลี่นผลได้ง่ายมากเลยทีนี้เราก็เห็นว่าเออประโยชน์ของตัวนี้มันน่า จ, จะมากวอนนี้เราก็หาวิธีการพัฒนานั่นคือนำไปสู่การศึกษาและการปฏิบัติวิปัสนานั่นคือเพิ่มแปลงไฟดวงนี้ให้เป็นดวงนั้นซึ่งเสถียรกว่าแต่แน่นอนจะต้องมีแหล่งพลังงานที่เสถียรและมากกว่า เอาเปิดไฟตอนนั้นทีพอได้ไฟรีบปั๊บนะเอเปิดขึ้นตอนนั้นนี่ไงลุงตาพยาาไม่เจอแหล่งมันเพราะฉะนั้นต้องใช้พิจารณาอย่างนิดหน่อยนะหายเจอลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกวรูปธรรมเรียนจากรูปธรรมซะก่อนซึ่งรูปธรรมนี้เราคุ้นทุกวันไหมคุ้นทุกวันเราเกิดโอปนะยิโกไหมือเกิดน้อมเข้ามาว่าอ้างในข้างจิตใจของเรามันก็คงจะ ลักษณะนามธรรมก็เหมือนกับตัวนี้ลักษณะนี้เรียกว่าการที่เร า, าเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งลูกทำนาทำทมถ้าเราเห็นขั้นลูกทำนำทำหมายถึงว่าเห็นลูกไปทำภายนอกโน้มเข้ามาสู่ลูกทำภายในแล้วก็เห็นลูกทำภายในโน้มไปสู่ลูกทำภายนอกได้ตัวนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมทันไหม คือเห็นทั้งภายนอกและภายในลูกทำได้นามทำคนส่วนใหญ่เห็นแต่ข้างเดียวเห็นแต่ลูกทำแต่ไม่เห็นนามทำน้องตาเริ่ม ง, ง่วงแล้วเมื่อคืนน้องไม่หลับใช่ไหมคุณแม่ปวดหรือเปล่าป <c oughs> วดเ <c oughs> พราะว่าตื่นเช้าทำเต็มที่อยู่ที่บ้านตื่น แปดโมงเ้าโมงอย่างงี้นะนอนตีหนึ่งตีสองย่างงี้นะแต่มาที่นี่บอกให้นอนสามทุ่มนะมาตื่นที่สาโมงไม่ไหวละโมงอยเงียเธอจะต้องอยู่ถึงหวันเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ท, ทําไมจึงบอกว่าได้ลดวงใจเพราะเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตามมาสอนเราพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ตามมาสอนเราแต่คําสอนได้แสงสว่างเราจําเป็นต้องใช้ตลอดเวลาไหม ต้องใช้ตลอดเวลาใช่ไหมที่มีชีวิตยอยู่แล้วถ้าเราจะนึกนําน้อมนำเอาคําสอนของท่านเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังมามานึกตอลอดเวลาเนี่ยจะช่วยเราได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นคําสอนที่เราจําจําเข้ามาทีนี้เราก็จะต้องเอาทฤษฎีคําสอนเหล่านี้มาฝึกให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เราฝึกขึ้นเถอเองแปลงคําสอนเป็นทฤษฎีที่เรียนครูบาอาจารย์ให้เป็นความจริงในตัวเราเมื่อเราแปลงเป็นความจริงในเราคือตามขั้นตอนหนึ่งจ้องรู้รู้จักรูปนามคือกายกับใจก่อนแล้วก็ทําความรู้จักที่เราวิจัยกันมาเมื่อวานนะบางคนก็รู้จักมากบางคนก็รู้จักน้อยบางคนก็รู้จักชัดบางคนก็รู้จักไม่ชัดบางคนก็รู้จักของจริงบางคนก็รู้จักของจํา <c oughs> ก็ยังใช้ไม่ ไม่เต็มที่นะจนกว่าจะแปลงความจําให้เป็นความจริงขึ้นมาและความจริงที่จําได้แล้วจะต้องทําให้แจ้งนะรู้จํารู้จักเบื้องต้นนะแล้วก็มารู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาลักษณะ น, นี้เรว่าเราเห็นทั้งภายนอกภายในรู้จํารู้จักเป็นรูปธรรมรู้แจ้งรู้จริงเป็นนามธรรมนะ แต่ทางเรารู้จักข้างนอกในเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วทีนี้เราไปที่ไหนเราก็จะเห็นธรรมตลอดเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมอะไรเห็นธรรมที่ไม่ใช่นึกไม่คิดแต่มันเห็นความจริงทั้งภายนอกและภายในพอลืมตาปั๊บมันก็เห็นแล้วเห็นใบไม้ไหวเห็นได้ยินเสียงนกร้องได้สัมผัสอากาศเย็นร้อนเห็นธรรมหรือยังใช่ไหมเห็นว่าอย่างไร เห็นไหมสิ่งที่มากระทบตามหูชมููลิ้นกายใจนี่เป็นอะไรเราเป็นผู้รับรู้นี่เป็นอะไรถ้าเรายังว่าฉันรับรู้อากาศเย็นนี้ฉันไม่ชอบเลยอันนี้เห็นธรรมหรือยังยังไม่ไม่เห็นเพราะอันนั้นยังเห็นสมมุติอยู่เป็นสมมุติอยู่มันยังไม่เป็นธรรมเพราะเห็นเป็นธรรมอ๋อสิ่งที่มากระทบทางตาหูชมหูลิ้นกายล้วนทั้งหมดล้วนเป็นเทียงรูป เราก็เป็นรูปและนามเพราะรับรู้ถึงอาการเหล่า น, นั้นด้วยเพราะฉะนั้นรูปต่อ ร, รูปกระทบกันให้เกิดนามรูปและเกิดนามล้วนๆคือความรู้สึกตัวเราก็สังสมความรู้สึกตัวจากการสิ่งที่มากระทบได้ตลอดเวลาไหมแล้วความรู้สึกตัวนี้เพิ่มขึ้นเองไหมเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มันผลิตออกมาจากน้ําไหลจากทานหินจากพลังลมพลังแสงแดดใช่ไหมมันเพิ่มตลอดเวลาในเมื่อมีการกระทบแล้วแสง พลังงานตัวนี้สเสถียรไหมสเสถียรเพราะมันมีการทํางานของทธาตสีที่เอาแหล่งต้นพลังงานมาตลอดเวลาทีนี้กว่าจะเซตอัประบบเหล่านี้ให้มาถึงตัวนี้ได้ยากหรือง่ายยากถ้าเป็นรูปธรรมเราก็ต้องใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนใช่ไหมหรือหลายล้านทีนี้เราก็เหมือนกันมานั่งทําอย่างนี้เหมือนกับเรามาเซตอัประบบอันนี้แหละให้รู้จักแหล่งที่ไปที่มาคือรูปธรรม เป็นอย่างไรภายนอกเราจะทําให้เป็นนามธรรมได้อย่างไรเราก็ต้องมาตั้งตัวสติสัมยาเป็นสิ่งแรกเพื่อเป็นตัวแสงสว่างอพอมีแสงสว่างแล้วก็มีการศึกษาคือมีตัวรู้เรียกว่ายานันแล้วก็มาจัดระบบให้เข้าที่เาทางก็คือเป็นตัววิชาแล้วกเกิดการใช้ได้เรียกว่าเป็นตัวแสงสว่างคือตัววิปาาัสสนาญาณ เพราะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเห็นความเราเห็นลูกทมนามธรรมเห็นลูกลูกทำนามธรรมเห็นพอเห็นแล้วทีนี้ไปที่ไหนเราก็จะรู้จักธรรมะขึ้นเรื่อยๆแล้วจาเป็นต้องจาคำสอนของพุทธเจ้าไหมทีนี้อ่าเพราจจาเอามาใช้เป็นข้อ reference หรือเป็นอ่าหลักฐานในบางครั้งอ้างอิง เออพุทธิย่าตรัสว่าโยธรรมังปสติโซมังปสติโยมังปสติโซธรรมังปสติโยธรรมังปสติโซปฏิจะสมุปารังปสติโยปฏิจะสมุปาทังปสติโซธรรมังปสติอันนี้เราเกิดลิเเรนซ์ว่าเออพุทธิย่าท่านตรัสเอาไว้นะผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นตัวเองผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นเหตุของ คือปฏิสุขผู้ใดเห็นเหตุของทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนั้นแต่ละเวลาที่วัตถุต่อวัตถุมากระทบกันเนี่ยทุกเกิดไหมเกิดใช่ไหมเกิดก็คืออย่างคุณนั่งเนี่ยอย่โพกกระทบพื้นลูกกระทบรูกใช่ไเกิดหนักขึ้นมาอากาศโอไม่เปิดแอร์นี่ร้อนอบอ้าวใช่ไหมรูปของร้อนกระทบกายอากาศเย็นโอ้ไม่มีฮีตเลยความเย็นกระทบทุก ดเวลานหนักเบาก็แล้วแต่นี่ไอความทุกข์นี่เป็นพลังงานอันหนึ่งใช่ไหมเป็นพลังงานนี้เป็นรูปหรือเป็นนามทุกเป็นรูปหรือเป็นนามเออทุกในส่วนที่เป็นรูปเพราะเกิดจากรูปทุกในส่วนที่เป็นนามเรียกว่านามมารูป แต่การที่เราไปตามรู้ทุกกาหนดรู้ทุกนั้นเป็นนามถ้าทุกข์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปตามรู้กาหนดรู้นามเกิดได้ไหมมีแต่รูปธรรมแต่นามทํามไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้ว่านามทําเกิดขึ้นได้อย่างไรณนะวันนี้เรามาศึกษาความรู้สึกตัวเพื่อจะตั้งให้เพิ่มกาลังของอะไรตัวรู้คือ น, นามธรรมเนี่ยให้มากขึ้น พอตัรู้มีกำลังมากขึ้นปั๊บมันก็จะไปแปลงสภาพตัวที่ทุกอันเกิดจากรูปธรรมให้เป็นแสงสว่างเหมือนแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นแสงสว่างมากขึ้นที่ไอตัวที่จะนำพลังไฟฟ้าจากแหล่งมาสู่หลอดเนี่ยต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยอะไรไอ้มาหาไม่ยากเลยนะ ถ้อาสายไว้เลยสายใช่ไหมแต่สายนี้ก็จะมีคู่กันสายบวกสายลบ ก, ก็คือสายตัวนี้คือสื่อรูปกับน้ำบวกสายหนึ่งน้ำสายรูปสายหนึ่งน้ำามาบวกกันรูปน้ำที่มีพลังถ่ายทอดจากแหล่งพลังงานคือเอ e r g y ที่เป็นดินน้ำรูไฟมาก็มาต่อกันเข้าเป็นแสงสว่างคือเป็น <c oughs> มีการกำหนดรู้ระหว่างรูปกับนามขึ้นเหมือนกับเราต่อขั้วบวกข้าลบเข้าที่หลอดเนื่อมีการกำหนดรูปภัพบเกิดรู้เหมือนหลอดไฟเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นระหว่างสายสองสายบวกลบต่อเข้าที่ขั้วหลอดที่ถูกระบบนะมันกเกิดเป็นแสงสว่างเมื่อรูปกับนามสัมผัสกันข่าวใดอ่าวก็มีสติเข้าไปรู้รูปกับนามเหมือนสายสองสาย เมื่อมีสติเข้าไปรู้เหมือนเกิดเรา ต, ติดตั้งสวิตช์ออฟและออนเมื่อออ น, น on, ตรนั้นปแสงสว่างกระปวดหมายความมีตัวเข้าไปกำหนดรู้คือตัวสติเป็นเสมือนสวิตแล้วก็ตัวสัมชัญญะก็เกิดขึ้นเป็นแสงสว่างตัวปัญญาตัววิชาเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ระบบอย่างนี้ปั๊บมันเราก็จะใส่ใจแต่เรื่องทุกขและเหตุเกิดทุกเราจะทําการทํางานก็จะมีแค่เห็นแค่สองอย่าง การทํางานก็ได้ออกกําลังใช่ไหมออกร่างกายได้เห็นอะไรได้เห็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ที่เราตั้งใจให้มันเกิดกับทุกข์ที่ไม่ตั้งใจให้เกิดต่างกันไหมเช่นคุณปวดขาและปวดหลังปวดไหลโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจใมันเกิดรู้สึกเป็นไงวิตกกังวลเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมเป็นสมุทายให้เกิดทุกข์แต่เมื่อกี้เรานอนแล้วก็ยกขาขึ้นข้าลงปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวไหมเรารู้สึกวิตกกังวลไหม ไม่มวิจุเพราะเราเป็นผู้สร้างมันเองเราบิวขึ้นมาเองและเราจะให้มันหายเองก็ได้มันเกิดเองก็ได้นั้นตัวทุกเวทนาในกายเนี่ยถ้าเราไปตามรู้มันเราต้องการจัดการกับกลไกให้มันดับก็ได้ทําให้มันเกิดก็ได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวแสงสว่างเหมือนกับเราปิดก็ได้เปิดก็ได้ที่สวิตต์ออฟออนใช่ไหม ดังนั้นเองการที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อที่จะมาศึกษาสองอย่างนี้คือรูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจแต่ว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี้ถ้าหากว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เสถียรมันก็ยังอยู่ภายใต้กฎของแต่ละมันก็เกิดดั บ, ดบ เดี๋ยวรู้สึกชัดเดี๋ยวรู้สึกไม่ชัดเดี๋ยวรู้สึกลืมเดี๋รู้สึกจําเดี๋ยวรู้สึกลึกๆได้เดี๋ยวรู้สึกลึกๆไม่ได้ใช่ไหมก็จะกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้ทีแรกเราก็ต้องมาทำเงให้มันเสถียรเมื่อาวานทําเรื่องลึงโซ่ใช่ไหมออถ้าหากว่าคุณไม่ได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยคุณจะเดินอย่างไรระยะห่างของคนมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะมันความที่ยังไม่ได้ฝึกใช่ไหม พอฝึกไหมก็มีการทําซ้ําๆอยู่นั้นก็เกิดความจําเกิดความเข้าใจมันก็สามารถที่จะคงที่ได้เหมือนกับการฝึกเกมกีฬาต่างๆฉันได้ก็ดีเมื่อเรารู้ว่าระบบแห่งการความรู้สึกตัวเนี่ยมันยังไม่คงที่ยังเป็นรูปเป็นนามอยู่ภายใต้โกดของใจรักอยู่และจะทำไงให้มันคงที่ก็ต้องทําซ้ําบ่อยๆในการที่เรายกมือซ้ําแล้วซ้าซ้ำแล้วเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำแล้วเนี่ยถามว่าเบื่อไหม คุณไม่มีสิทธิเบื่อเพราะมันเป็นการฝึกบงการฝึกเหมือนการคุณเอาคํำข้าวเข้าปากคุณกลืนเลยได้ไหมเคี้ยวสองครั้งสมมุติว่าคําข้าวนี่จะกลืนได้คุณต้องเคี้ยวถึงห้ิครั้งเลยนะถ้าคุณเคี้ยวทั้งสิครั้งกลืนเข้าไปก็มีปัญหาละจนกระทั่งว่าถึงวันห้าสิครั้งฉันได้ก็ดีอันนี้เหมือ น, กนยกมือเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้บางอย่างเรื่อยๆเนี่ยมันยกถึงหมื่นครั้งเนี่ย ยกไปเรื่อยๆนะจะจะเข้าใจที่ลึกไปกว่านีน้นคุณต้องยกถึงแสนครั้งอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจอะไรเปละเอียดกว่านี้คุณต้องยกถึ้งล้านครั้งก็เหมือนคุณหมูแป้งหรือตาแป้งใช่ไหมตอนแรกมันก็เป็นเป็เม็ดข้าวแล้วคุณจะเอาละเอียดขนาดไหนอ่ยถ้าละเอียดขนามขนมเนี่ยแป้งตัวละเอียดขนาดนี้มันก็ใส่ตะแกง่งร่อนต่างหลู่ ด, ด่างระดับก่าล้เพราะฉะนั้น กวแป้งจะละเอียดระดับนั้นคุณต้องตำลงไปถึงหมื่นครั้งคุณก็ต้องเอาอยู่นั่นแหละตำอย่างนั้นแหละแต่เดี๋นี้เราขี้เกียจเราไม่ต้องตํทำทําไมลงเข้าไปในในหม้อบดเฉยๆนะเห็นไหมอันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะดันั้นเองในลักษณะการทําซ้ำเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รายละเอียดลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเหมืนเราตำแป้ง ทีนี้ในตัวของความรู้สึกตัวที่มันละเอียดมันจะกินลึกอย่างไรมันก็เหมือนกับเอาอุปมรณหนึ่งมันเทน้าลงดินถ้าน้าป่องหนึ่งเออมันลักมีกว้างเท่านี้ลึกเท่านี้สองป่องสามป่องสี่ป่องเนี่ยก็จจายไปเลยเรายกครั้งหนึ่งลัศ ม, มีมันรู้แค่นี้ชัดแค่นี้ครั้งที่สองบางครั้งมันก็ไม่ลึกเพราะอะไรมันเบาเกินไปใช่มอ่าไอ้ตอกตะปูเนี่ย คุณตอกระดับนี้มันเข้าอันนี้ถ้าคุณ ร, ระดับค่อยกว่านี้มันไม่เข้าเลยถ้าตอ่ออะไรทํานองนี้อันนี้คือเราจะต้องเรียวเห็นรูปธรรมเส้อก่อนเราจะทำอะไรก็กลับมาดูที่นามธรรมไอ้สิ่งรูปธรรมมันก็จะสอนเราให้ทำอย่างไรอย่างไรนั่นหมายความว่าเรามีได้ดวงตาเสียก่อนดวงตานี้คือองค์ความรู้เดีว่าอด้รดวงตาคือตัวแล้วก็มาสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้ทุกระบบของการเคลื่อนไหว เราก็จะไม่เบื่อหน่ายในการตามรู้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันคือการเก็บความถี่ของความรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนเราอยากที่มีเงินมีทองนะเราหนักเราเหนื่อยเราเบื่องานขนาดไหนก็ต้องทําเพราะนั้นหมายถึงเม็ดเงินที่เราจะได้นะแต่การปฏิบัติเหมือนกันมันจะได้สมบัติอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอริยสมบัติอริยทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องทนต่ออย่างเนี้ย แต่ว่าไม่มีใครเคยบ่นเลยว่าเอ้ฉันจะหายใจไปนานขนาดไหนทาไมมันซ้ำซากเ้ืเกินไม่มีใครเคยเบื่อเลยใช่ไมเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เบื <c> ่อ <oughs> แล้ววันไหนคุณเบื่อลงหายใจขึ้นมาเป็นไงตั้งต่ก็เกิเด Accident ขึ้นมาเลยใช่ไหก็น็อกทันทีเลยอันนี้คือเหมือ น, นกันเ <c oughs> พราะนั้นระบบอะไรก็ตามที่มันจะทําให้มันเสถียนเนี่ยต้องทน คงที่ระดับหนึ่งการที่เปลี่ยนที่มันติดๆดดับๆไม่คงที่เนี่ยให้มันคงที่ระบบที่มันยังไม่คงที่เลียกระบบของตรรัตน์ที่เป็นระบบธรรมชาติก็เรงเปลี่ยนให้มันเป็นเที่ยงขึ้นอันนี้จังมันไม่คงที่ก็เปลี่ยนให้เป็นคงที่จ้ะระบบศีลที่ปินอย่างไรเราคุยกันเมื่อวานแล้วนะเปลี่ยนลักษณะที่ทุกขังมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ก็เปลี่ยนมาเป็นสมาธิเสีย อนัตตาซึ่งไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นพุนเป็นก้อนก็เปลี่ยนมาเป็นให้มันเป็นอันเดียวเสียเป็นปัญญาก็จากไตรสิกขาแต่ไรลักษก็เปลี่ยนมาเป็นไตรสิกขาแล้วมันจะคงที่เมื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขาได้เขาเรียกว่ามันเป็นปรมัตน์ละจากที่เป็นรูปนามธรรมดาไม่ไม่คงที่ไม่ถาวรตะโผดได้ลักษ์พอมาเปลี่ยนเป็นไตรสิกขามันเป็นปรมาทัศมันคงที่มันนิ่งได้ เราจะใช้ตรวไหนเหมือนไฟอ่ะตรงนี้เราจะใช้ทีก็ต้องหาบุคคกูจะใช้ได้กูจะหาไม่ขีดได้ใช่ไหมแต่พอมันเป็นนระโลกปรมัดระบบมันถูกเซตเอาไว้คงที่เพียงคุณไปกดสวิตช์ปับ๊บนะหรือคุณเสียบปลั๊กคุณจะกินข้าวมาเลคุณก็กดสวิตช์ปับ๊บเราอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้กินข้าวอันนี้ก็เหมือนกันคือนี่เรื่องว่าปรามัตดทางด้านจิตใจดังนั้นเอง ทุกครั้งที่เรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจัดระเบียบของการเคลื่อนไหวเมื่อ ก, การเคลื่อนไหวเราชงชางมันไปทั่วไม่เป็นระเบียบนั้นพลังงานที่มันชาร์จเข้าไปมันก็ไม่ไม่หนานแน่นหรือไม่ลึกพอเพื่อยัังมนจะมีระบบของศีลเข้ามาเพื่อจัดระเบียบทางกายคือการลุกการนั่งการย่างการเดินนะจัดระเบียบกายนะแล้วเอาสมาธิมาจัดระเบียบจิต และเอาปัญญามาจัดระเบียบอารมณ์นะเพราะทั้งกายจิตอารมณ์ถูกอบรมสั่งสมจัดระเบียบปับมันก็จะเข้าสู่ที่ น, นั้นเรียกว่าจัดระบบที่ให้ไม่เป็นประมาติคือจัดอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างระบบศีลสติปัญญาเกิดจากไตรลักษณ์มาก่อนที่จะมาจัดระบบของกายวาจาใจของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ตามต้องการเหมือนเราไปกดไฟ อันนี้คือเพื่อที่จะพัฒนาความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชตาตญาณให้มันเป็นปัญญาญาณโดยอาศัยการทําซ้ําๆในจุดนั้นไอ้ที่สิรคู่มองเขาว่าลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคือทําซ้ําๆไอ้สิ่งที่มันผิดให้แก้บ่อยๆซ้ําๆอยู่นั้นจากสิ่งยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายใช่ไหมจากที่มันไม่เป็นเลยก็ให้มันเป็น ทฤษฎีคู่มองเอาไปใช้มันมาจากที่ไหนคู่มองจากประเทศญี่ปุ่นจำได้ไม่ใช่ฝรั่งเศสนะ <c oughs> ต้นตอนเดิมมาจากฝรั่งเศส น, นี่เด้กคู่ม่อง <c oughs> ู่มองแล้วก็มาทําที่ญี่ปุ่นคู่มองอาจารย์วลพัดใช่ไหมผููเจริญพูดถึงที่ฎีนี้บ่อยมันบอกค uh ู่ม่องมันมาจากกรรมออนเอ๊ะเกิดการคิดมันเกิด ไ, ได้ยังไงพอเป็น <c oughs> <laughs> พอเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าคู่ม่องแต่ภาษาอังกฤษว่ากรรมอ่อนเหกนใช่ไหมกรโบกอ่อน um เป็นคู่ม่องือนกะัน<ม>เออกรรอ่อน um คือ um ํำบ่อยๆเหมือนก้นเออแกก็ไปทอาแกได้นะ <c oughs> ทฤษฎีคู่ม่องคือทำบ่อยๆคือสร้างการทำซ้ำซากนะดังนั้นเช่นเดียวกันในการที่เราซ้ำซ้ำากลงไปเนี่ยมันก็่จะก่อเกิดมวลภาวะขึ้นมา ที่เราไม่เคยมุนภาวะออกจะเป็นความอะไรความเบื่อความง่วงความขี้เกียจความล้าความคิ ด, ค ว, ค, ว ค, ดความสงสัยอันนี้เป็นมุนภาวะที่เกิดไอติดตามมันมานะทุกระบบะมันจะต้องต้องการให้มันมีไ d ดีไอเสียก็ต้องมีใช่ไหมรถทุกรถทุกขันจ้ามีอะไรมาด้วยก็มีเท่าไอเสีย พอมีการเบินมีการเผาไหม้ลักษณะการพลังงานที่เราใช้ตรงนี้เหมือนกันเราใช้เราต้องการพลังงานที่ดีใช่แต่เราต้องยอมรับพลังงานที่เสียด้วยพลังงานที่เสียก็ถูกกำจัดออกไปเมื่อเราต้องการการเกิดก็มีการดับตามม า, าด้วยการการดับก็ต้องมีการเกิดตามมาอันนี้เป็นคู่ของธรรมชาติตั้งแต่ต้นเลยนะด น, นั้นนี่คือลักษณะปัจจุบัน เราต้องมาลงรลายละเอียด ล, ลึกเพื่อความมั่นใจเพราะคนปัจจุบันมีเรื่องที่ต้องให้เกิดลังเลสับสนมากเพราะมีมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมแต่เรื่องใดไม่ชัดเจนมันก็ไม่มั่นใจเรื่องนั้นเราจะทุ่มเทกับการกระทําเรื่องนั้นมันก็ไม่มีเพราะว่ามันเกิดความลังเลไม่ชัดเจนอยู่แต่สิ่งไหนเราชัดเจนมั่นใจแล้วเราก็ทุ่มเทแล้วก็จะรู้จักเรื่องว่าสิ่งไหนจําเป็นไม่จำเป็นสิ่งไหนมีสาระ สิ่งไหร้สาระสิ่งไหนทำไปแล้วมันเกิดความพัฒนาเกิดความมั่นคงต่อกายต่อใจต่อความสุขต่อความสุมบชีวิตมันก็ยังมีการเลือกเพราะมันมีสิ่งให้เลือกมากมายอันนี้คือยุคของวัตถุนิยมที่ทําให้เรามีความสับสนเพราะมันเกิดโปรดักต่างๆมาให้เลือกมากเล้อเกินใช่ไหมแม้แค่ยี่ห้อของโทรศัพท์แล้วจะใช้แต่ละทีโอห์ลต้องมา เลือกกันไม่รู้เอาแบบไหนมีออปชั่นอะไรจะซื้อรถทั้งคันอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่ก่อระบบเพื่อความสับสนนะฉะนั้นเองชีวิตของเรามันสั้นเราไม่สามารถที่จะเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่มีสาระสูงสุดได้เพราะสิ่งที่มันมีสาระสูงสุดครบโฟกัสไปถึงว่าทำให้เราเกิดความสงบและความสุขและไม่ทุกข์ตลอดไปได้อย่างไรนี่คือสาระที่เราต้องการ ไม่ทำมาเวียนไหวแต่เกิดอีกนี่คือสาระสูงสุดใช่ไหมนอกนั้นก็มีสาระเหมือนกันแต่ว่ามันจะทําให้เราไม่สุขไม่สงบยังเวียนไหวแต่เกิด mm hmm. อยู่เนี่ยเขบอกไม่มีสาระไม่ได้แต่มันมีสาระแบบนั้นของมันแต่ก็เลือกใช้เท่าที่จําเป็นไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยนะใช้ที่จําเป็นสิ่งที่ไร้สาระบางครั้งมันมีสาระเฉพาะเรื่องนะแต่เรื่องแกนหลักของเราก็คือทำอย่างไรให้กายใจของเรามีความ มั่นคงระดับหนึ่งมีความสงบตา ม, ตา ม, ามที่เราต้องการมีความสุขเดอยที่เราต้องการมีความเยืกเย็นตามที่เราต้องการได้แล้วก็พัฒนาไปสู่จุดที่เป็นสาระนี่ก่อนเมื่อเราจุดที่เป็นสาระแนละ้วในส่วนที่เรื่องไร้สาราทั้งหลายเราก็ใช้เฉพาะที่จำเป็นไม่ใช่ปฏิเสธมันนะนะแต่เขาใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเองจาเป็นในระดับไหนแล้วแต่เหตุการณ์ดังนั้นในวันนี้ ขยับเข้ามาถึงเรื่องรูปธรรมนามธรรมในรูปธรรมนามธรรมเมื่อทํางานแล้วมันก็จะต้องมีความเสื่อมตามมาอันนั้นคือรูปโลกนามโลกรูปโลกคือในส่วนที่ทําให้ไม่สบายกายนามโลกคือส่วนที่ไม่สบายใจเมื่อเรารู้จักว่ามันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีวิธีการบําบัดแก้ไข บำบัดแก้ไขที่เพื่อจะเอาลูกโรคนำโรคน ำ, นำมารีไซเคิลอีกทีนึงให้เป็นพลังงานต่อไปทำไงเราเข้าไปต่างรู้ทุกต้องกำหนดรู้ต้องบริหารต้องจัดการต้องวิเคราะห์วิจัยจะยทำไงไอไอขยะกองเนี้ยจะให้ไปเผาทิ้งหรือจะให้เป็นปุ๋นปุ๋ยใช่ไหมมันก็เกิดการคิดไอขยะคือความง่วงจะให้มันเกิดขึ้นจะทำไงให้แปลความง่วงให้เป็นความให้แปลขยะ ความง่วงให้เป็นปุ๋ยได้ไหแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ล่ะใช่ไหมเพราะความง่วงทําให้เราไม่ตื่นทําให้เราต้องเกิดการต่อสู้ขวนขวายก็ยให้เกิดการปรับแก้ลักษณะเราต่อสู้ขวนขวายเพื่อหายความง่วงน่ยตัวนี้เป็นองค์ความเพียรก็เกิดองค์แห่การตื่นรื้อก็เกิดนี่เขาเรียกว่าเป็นรีไซเคิลตัวง่วงให้มันเป็นตัวตื่น ตัวปวดเมื่อยเนี่ยก็เป็นตัวขยะอีกโดหนึ่งใช่ไหมที่เกิดกับรูปเราจะเปลี่ยนความหนักหน่วงความปวดเมื่อยให้เป็นตัวรู้ได้อย่างไรแต่ความปวดของเมื่อยของร่างกายมันจะหายไม่หายไม่สําคัญสําคัญทุกที่ว่าเราจะแปลง่ยน้มันเป็นตัวรู้ได้อย่างไรตัวรู้มีสองลักษณะหนึ่งตัวรู้ตามสัจธรรญาตคือพลิกโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาอะไรกับมันใช่ไหมไม่สบายก็ใช้ก็พลิกค็เด้ง อ, อันนี้ก็ รู้แบบสัญชัดแจ้ผลก็ได้เหมือนกันคือสบายแต่ถ้าเราต้องการที่จะได้องค์ความรู้ตรงนี้ก็คือพลิกอย่างมีระบบะตั้งใจแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเราเห็นอาการเกิดขึ้นของความเบาสบายเห็นอาการตับไปของความหนักหน่วงอ่ะแล้วก็สักพักมาเกิดใหม่นี่คือองค์ความรู้ก็เกิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราใส่ใจที่จะศึกษานะ ดังนั้นในตัวรูปธรรมนามธรรมก็ให้เกิดความสบายไม่สบายเราไปด้วยกฎของอนิจจันร์แล้วก็ให้เกิดตัวความสบายไม่สบายเกิดจากอะไรเกิดจากกฎของไตรลักษณ์กฎไตรลักเกิดจากกฎของการเกิดและดับอของพลังเท่าอย่างทุกอย่างในโลกนี้นะ เมื่อรู้ความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้เราก็เพียงแต่มีหน้าที่ตามทำตามหลักของลีสัสที่พิทธเาตรัสให้มาเป็นหลักเพื่อบริหารจัดการกับกฎเหล่านี้ว่าทุกต้องทำยังไงกับมันไม่ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเราจัดการยังไงกับมันต้องกำหนดรู้รู้ว่ายังไงรู้ที่ถูกต้องรู้ว่ายังไงทุกต้องตามรู้ตามศึกษา ถ้าเราไม่ตามรู้ไม่ตามศึกษาทุกที่มีอยู่นะจะเปลี่ยนเป็นสมุทัยใช่ไหมคือความไม่รู้แล้วก็ไปตามละตัวนั้นไปตามละที่ตัวสมุทรเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวหนักให้เป็นตัวเบาเปลี่ยนตัวง่วงให้เป็นตัวตื่นเป็นตัวขี้เกียจให้เป็นตัวขยันอันนี้คือทุกต้องกาหมดรู้รู้เพื่อจะเปลี่ยนมัน เปลี่ยนคุณค่าที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาทุกตอวกับความรู้ส ม, มุทัยคือเราไม่ตามรู้เมื่อไรมันก็เปลี่ยนเป็นส ม, มุทัยหน้าที่ของเราคือจะต้องตามรู้ตามศึกษาแต่ในกรณีที่ความง่วงมันเกิดซ้ำซากทำไงแสดงว่ามีเหตุใช่ไหมมีเหตุว่าหนึ่งเมื่อคืนนอนไม่หลับสองมันไม่ใช่เวลาที่จะนอนไม่ใช่เวลาที่เราจะตื่นเราสร้างเหตุปัจจัยมาไม่ถูก พอจะมาทําถูกระบบปับ๊บมันก็จะต้องลื้อระบบมาทําใหม่เราก็ต้องรับผลวิบากของมันก็คือเจ้าง่วงอย่างนี้เป็นต้นแก้ยากก็ต้องมาแก้แล้วแก้อีกแต่ถ้าถ้าสมมติเอาความผิดพลาดเหล่านี้กลายเป็นนิสัยของเราขึ้นมามันก็เป็นวิบากต่อไปใช่ไหมให้เกิดความเครียดต่อเนื่องเกิดความเกลิ้งต่อเนื่องเกิดเป็นมะเร็งเกิดเป็นหัวใจเกิดเป็นเบาหวานเกิดเป็นความดันต่อไปในอนาคตซึ่งผลเราก็คือเราสั่สมมันเหตุที่เล่นนิดเล่นนิดเล่นนิด พอจะไปแก้ให้มันแก้หายทีเดียวได้ไหมไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการมาเจริญตัววิปัสนาจึงมาเป็นการป้องกันเหตุของทุกข์ตั้งแต่แรกและเหตุของทุกข์จะไม่สั่งสมยาวนานเป็นเหตุที่เราสามารถบริหารจัดการได้แต่คนปัจจุบันนี้ไม่ได้ศึกษาวิปัสนาก็สั่งสมเหตุของทุกข์ปัจจุบันนี้สมุทัก็เหตุของทุกข์มันมีเยอะแยะมากมาย เราก็สั่งสมไปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหาทําไมเราถ า, ถามเหตุหนึ่งเอาทำไมต้องนอนไม่ตรงเวลาทําไมกินไม่เป็นเวลาแล้วบอกเออทำงานแล้วงานนั้นมันช่วยเรื่องทางกายหรือทางใจเพ่อให้เราทํามาหากินได้ปัจจัยสีมาแค่นั้นแล้วทําไมคุณทุ่มเทแต่มนันดังหนาก็ะาจะต้องมาสมดุลล่ะเออเราทําแค่นี้ก็คือได้แค่นี้ถ้าทํามากกว่านี้ มันก็ก่อยสังสมเหตุปัใจจัยให้เราต้องนอนดึกให้กินนอนไม่เป็นเวลาจะคอยส่งวิบากกรรมคุ้มไหมก็ไม่คุ้มกับสิ่งหรือวันหนึ่งที่เราต้องไปป่วยในวันข้างหน้าหมอตายด้วยโรคที่หมอรักษานั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเขาประมาทในสิ่งนั้นแต่ถ้าหมอที่เป็นวิปัสนาหมอ น, นั้นก็จะทําให้ยั่งยืนเหมือนหมออะไรนะหมอเชก <laughs> หมอเชกดตอนนี้เท่าไหร่ละหิงร้อยอะไยัง ข้าวสบห้าเนาะข้าวสห้าสิบหกแกตั้งไว้เท่าไหร่นะร้อยยี่สบแต่เดินท่าขยายร้อยยี่สิดนวันดูดูคลิปไปอยู่นะในอะไรในวุดีเนาะวูดีก็ไปสัมภาษณ์ถามก็ยังทําห้ s t a n ได้อยู่เลยนะใฮ้ s t a ได้อยู่ก็หมายความว่าโยคะหมวตั้งพื้นได้อยู่เออถ้าคนเก้าสิบกว่า ถ้าหาว่า ม, มีการพัฒนาตามระบบวิปัสนามันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมแปดสิก็ไม่ไหวแล้วกำงงกำแง่งแล้วอันนี้เก้กว่ายังแข็งแรงยังกระตือหรือล้นอะไรอยู่มันก็ทําได้ดังนั้นเองแต่ก็แค่เรียนปฏิบัติศึกษาธรรมะมาตลอดนะเนาะศึกษาธรรมะมาตลอดดังนั้นพวกเราโดยอายุน้อยๆเนี่ยมีการเริ่มตน้นณวันนี้เนี่ยทำให้เราต้องพัฒนาหมอเสกร้อยยี่สเราเอาเท่าไหร่ดี ร้อหลวงพ่อตั้งไว้200โอ้สนุกสนานมากในการขยายอายุตัวเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่มันให้ศึกษาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องที่ง่ายมากไปทําทําไมจะไปคนไม่มีวัตญยาผมก็ทําได้แต่เรื่องที่เรามีรับความศึกษาได้รับการปฏิบัติได้ผ่านการศึกษาได้ผ่านประสบาการณ์มากกว่ามากมายแล้วสิ่งนั้นทํำไมไม่ช่วยเรา ในการที่จะจัดการตรงนี้ได้นี่เอาไปคิดให้ดีเล่นเรียนรู้มากมายหปีเจ็ดปีเสียงเงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วทำไมไม่เอาความรู้นั้นมาเป็นองค์ประกอบเพื่อยพัฒนาตนัวเองให้ร่างกายและจิตใจนี้ยั่งยืนนะเอาไปหวังนี่จะทําให้คนอื่นทํามากมายทําไมเราหวังอะไรบางอย่างใช่ไหมะวังเงินหวังทองหวังทรัพย์สินชื่อเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าเราสบายเข้มแข็งมันคงกว่านี่สาระที่เราได้ทำไมไม่ไม พิจารณาแบบนี้แต่หมอไม่ได้เป็นบบวิปัสนาแต่ถ้าหากว่าหมอเข้ามาศึกษาวิปัสนามากๆคนทั่วไปก็จะได้รับอ น, นิสงค์คือได้รับองค์ความรู้ามาก็สนใจในเรื่ององค์ความรู้ทั้งที่เป็นหมอปัจจุบันทั้งที่คือมีหมอที่ปรึกษาละ่ะเอามาเจ็บป่วยหรือไม่สบายปับ๊บแทนที่จะไปกินยานปรึกษาหมอก่อนว่าไงาแล้วก็ต่อรองกับหมอในการรักษา ตอนต่อมาก็มาสนใจเรื่องอ า, อาหารปิตยาแพทย์ทางเลือกใช่ไหมเมื่อก่อนอยศแม่ต่อมาเนี่ยแกเป็นกระดูกพูนกระดูกผุอะไรไปที่ไหนล้มหน่อยก็กระดูกทำพลาดจากไปเลยเอามาก็ไปศึกษาว่าทําไงไม่ต้องกินอะไรอะไรนะเสื่อมกระดูกเขาเรีอยกอะไรนะแคลเซียมใช่ไหมเคยซื้อไปให้แกกินแล้วแกไม่กินมันมก็มาศึกษาเราจะทําไงอ๋อเจอพืชตัวใหม่คือสิ่งที่ยศแม่ชอบได้ก็คือ เชา่าพูนะเช่าพูมันเป็นตัวเสริมกระดูกอนไ้หลายอย่างไปเปิดดูคลิปเรืนะ่องเช่าพลูนอ่นก็เลยโอ้พอดีแกชอบด้วยก็แล้วก็ปลูกเช่าพูในวัดเลยเดี๋ยวเราก็ลวกเช่าพู ก, กับน้ำพริกมะม่วงเดี๋ยวก็แกงเชา่าพูเดี๋ยวก็ผัดเช่าพูเดีวนี้นกแกแข็งแรงเลยล้วงอะไรไม่เคยเป็นอะไรเลยใช่ไหมอันนี้คือองค์ความรู้ในการศึกษาวันนี้ไปเจอคลิปหนึงวิธีรักษา ต่อไปนุอามาจะไม่ต้องส่เว่นเราไงคือรักษาดวงตาโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้ยังฟังไม่จบคอยฟังไปก่อนนะเขาบอก คิต้องฟังสมชั่วโมงเราไม่มีเวลาทาประมาณนั้นก็ฟังไปวันนั้นนิดหน่อก็ศึกษาไปเรียนรู้ไปเดี๋ยวนี้มันมีองค์ความรู้เพื่อที่จะเพื่อความยั่งยืนของกายเลยเยอะแยะมากมายมากใช่ไหมแต่เราไม่สนใจในสาระเหล่านี้ไปสนใจเรื่องอะไรไม่รูนะผมไม่มีเวลาอันนั้นมาเพราะว่าเอ้มันมีอะไรคนสมัยนี้น่าจะต้องอายุยืนกว่าคนสมัยก่อน คนสมัยก่อนเขาม่มีเทคโนโลยีนี้ออกมาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีออกมาเยอะแยะไปหมดแล้วทําไมเรากับอายุสั้นและปล่วยไว้กว่คนสมัยก่อนแสดงว่าเราไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นสาระแต่เราไปใส่ใจสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระนะอันนี้คื อ, อโชคไม่ดีของคนสมัยนี้แต่โชคดีของคนสมัยนี้คือมาวิปัสนาก่อนพอมาวิปรสนาเกิดความรู้ชนิดใหม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นสาระแท้สิ่งไหนเป็นสาระเทียมใช่ไหม เราก็รู้จักเลือกแหละแต่มาทำที่ปัสกษาแล้วคุณก็ยังเลือกไม่เป็นแสดงว่าเป็นไง <c oughs> <c oughs> คุณมีกำมากเกินไปนะกำบังคุณไว้นนะเราก็จะต้องไปสร้างศรัทธาใหม่ให้เกิดความมุมม่งมั่นเกิดศรัทธาเกิดชันทาใหม่แล้เกิดความเพียรใหม่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มาก็สนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะสื่อสาวนวัตรกรรมใหม่ๆ ใ, ในการดูแลสุขภาพ แล้วก็เอาประสบการณ์ที่เราพิสูจน์ได้แล้วไปบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะก็ทำงานได้เยอะขึ้นทุกวันนี้มาแทบจะไม่มีเวลาเลยเนี่ยะจะมีเวลาพักสักอาทิตย์หนึ่งก็ยากแต่ต้องสกัดเวลาให้กับตัวเองอย่างน้อยเดือนละหนึ่งอาทิตย์ต้องได้พักผ่อนนะนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22, 23ยี่บสามนี่งานต่อเนื่องกันไป22นึมือครนัด โรงเรียนทั้งเโรงเรียนที่ว่าเก้าโรงเรียนนั้นจะอบรมหมดไม่ได้ก็ต้องแบ่งทีมงานของพวกเรานี่นะที่เป็นคนได้ปฏิบัติหลายครั้งออกมาก็ดึงมาเป็นทีมจิตอาสาไปช่วยกันโรงเรียนสองคนสคนเก้าโรงเรียนที่อําเภอเด่ชัยนะแถมขออาันรกลางวันมาด้วยก็ต้องไปเช่าขาพอาหา ร, หารกลางวันให้เขาอีกอบรมให้เขาแล้วก็แยกเก้าโรงเรียนเป็น5จุดจุดละสองคน3คนไป ลักษณะอย่างนี้ยมันก็ทําให้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาปฏิบัติได้ขยายต่อไปนะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยไม่อยากจะให้เสียเวลาในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลยอย่างน้อยต้องศึกษาองค์ความรู้มาแล้วไม่ใช่บอกกขาเลยนะต้องเอามาทำไงก่อนมาพิสูจน์ให้เห็นแจ้ง้วยตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะโยนความรู้ไปนี้ให้คนอื่นโดยที่คุณไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะคุณขโมยลิขสิทธิ์เขานะ ต้องระวังด้วยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเป็นองค์ความรู้ของเราก็้วแฉออกไปเออลักษณะนี้เราเปลี่ยนละเปลี่ยนค่าจากลิขสิทธิ์ของคนมาเป็นลิขสิทธิ์ของเราได้ดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราศึกษาเรื่องวิปัสสนาเข้าใจจริงๆริงมัยังไม่หมดเวลาเนะมื่อเข้าใจแล้วทีนี้ชีวิตมันนอกจากหนึ่งเราไม่มีความทุกข์แล้วเราก็แบ่งปันประสบ ก, การณ์ในการแสวงหาความสุขสงบให้กับคนอื่นเป็นบุญไหม เราได้กําไรบุญทุกวันไหมและกำไรบุญที่เราทำนี้ต่ออายุเราได้ไหมเอ้ยบุญที200รยน้อยไปไหม <c oughs> เอามาได้ข่าวว่าท่านตักหมอในคนจริงที่ท่านถูกวางยาพิษตายเนี่ยแต่ควาจริงท่านไม่ได้ตายนะใช่ไหมถูกวางยาพิษแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาท่านก็เดินกลับอินเดียตักหมออะนะกับอินเดียมีคนพบกลางทางท่านบอกว่าจากนั้นท่านมีท่านกลับอินเดียท่านไม่กลับไปที่ประ ไปที่ศูนย์นึฝึกอะไรนะท่านเข้าภูเขาที่มารายเอเวร์เนสหายตัวไปเลยยังมีคนพบอายุท่านถึงถึง800ยปีค<ม>ืออันนี้เทจริงไม่รู้นะฟังไว้ก่อนก็เลยกันเพราะฉะนั้นเองเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ครั้งหนึ่งน่ยอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายเพราะมันเกิดมายากเพราะนั้นต้หาวิธีรักษาแต่วิธีรักษาจะไปเอาในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติเข้ามาเอาสิ่งท ผ, ผิดธรรมชาติเข้ามารักษาก็ยิ่งทาให้อายุสั้น ไม่เซลของเราได้รับอะไสิ่งที่แปลกปลอมดังนั้นเราก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ก็ธรรมชา ต, ติกินอาหารทําใกล้เคียงกับธรรมชาติธรรมชาติมันยั่งยืนใช่มดังนั้นก็จึงอยากจะให้ว่าศึกษาวิปัสะนาให้ดียิ่งศึกษาวิปัสะนาได้ดีเท่าไหร่เราจะอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นนะอะไ น, น, นสิ่งที่มันแปลกปลอมเราก็ค่อยลดน้อยลงถ้ามันจําเป็นก็ให้เหลือน้อยที่สุดนะ ดังนั้นในลำดับอารมณ์ช่วงเช้านี้ต้องการที่จะเป็นบทเรียนสำหรับปฏิบัติในวันนี้ก็คือให้ไปดูการทำงานของลูกว่ามันมีอะไรบ้างลูกที่เรายืนเลินนั่งนอนเมื่อมันทำงานแล้ว ม, มันมีอะไรเป็นตัวขับออกมาในฝ่ายที่เป็นลบเช่นนั่งสัางจัะนานๆแล้วก็มีตัวบวกคือความรู้สึกตื่นตัวสักพักหนึ่งใช่สักพักหนึ่งเริ่ออะไรมีตัว เขาเสียเข้ามาละไม่ง่วงก็เบื่อไม่เบื่อก็เซิงไม่เซิงก็คิดไม่คิดก็เป็นไงสงสัยนะมันเริ่อบอกมาแล้วเราก็รู้เท่าทันอาการเหล่านี้รู้เท่าทันตอนไหนตอนที่มันรวมเป็นก้อนใหญ่ๆหรือเป็นคำเป็นก้อนเล็กๆมาเริ่มก้อนเล็กๆจักกันมันเลยมันจะมีสัญญาณบอกเราก่อนใช่ไหมก่อนที่มันจะง่วงก่อนที่จะเบื่อนี่สัญญาณเล็กๆแถวนี้รื่มเอาออกเคียวออกเลย แต่ถ้าหากว่าลืมตัวไอ้ตัวเล็กๆมันโตวไวมากเลยใช่ไหมแป๊บเดียวนี้มันเอาเงินเงินกองเงนิงเงนเลยนะเราก็ต้องดึงออกให้ไวนะถ้าไปจัด ก, การกับผลบ้านปามันแก้ยากละแต่ถ้าหากว่าเริ่มนิดๆมันแก้ง่ายเราก็เอานี่แต่การที่จะแก้ง่ายแก้ยากขึ้นว่าเรามีความรู้สึกตัวดีพอที่จะเห็นสัญญาณเล็กๆเหล่านี้ไหมถ้าหากว่าความรู้สึกตัวของเราไม่ดีพอบางทีมันรวมเป็นคั้นโตเรายังไม่รู้เลยนะนี่คือความ ไวของความรู้สึกตัวเนี่ยต้อ ง, องอสังเกตต้องใช้ไปด้วยนะอันนั้นอย่างน้อยที่สุดคือจัดการในตัวรูปเนี่ยให้ทันก่อนก็ไล้กันเพราะมันเห็นง่ายใช่ไหมอาการหนักหน่วงเจ็บปวดเมื่อยคันแสบอืดอัดขัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยสำรวจให้ดีสํารวจไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยสาเหตุที่เราสํารวจอาการของทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่ดีไม่ชัดนั่นเองมันจึงรวมผลเป็นก้อนใหญ่ และก้อนใหญ่นี้มันรับไว้ไม่ได้มันก็ส่งไปให้กับกายก็ส่งไปให้กับจิตก็เป็นสมุ ท, ทยัยละสิตก็ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายง่วงเหงามันเกิดมาจากตัวกายที่เราจัดการมันไม่ดีนี่เองมันก็ไปเกิดเป็นตัวนั้นเรียกว่าสมุ ท, ทยัยแต่พอเราดูแลเอาใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้ น, น, น, นทางกายดีชัดเจนมันก็เป็นการทําลายสมุทัยไปในตัวคือไม่ก่อเป็เกิดของอารมณ์ทางจิตนะ่ะ เพราะนั้นตัวอริยสี่เราทําตัวใดตัวหนึ่งให้ชัดเนี่ยมันสามารถบูรณษการไปทั้งหมดเลยจะทําที่ทุกต้องกํารู้กําหนดรู้ถูกต้องที่สุดมันก็เป็นนิโรธเป็นมรรคไปเดือดอนุมัติของมันจัดการกับรูปไปจัดการที่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมแต่ตัวทุกข์นั้นมันจัดการไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นพลังงานอันหนึ่งแต่มันมีผลข้างเคียงโดยถ้ามันเกินไม่ได้คุณก็ต้องทําให้เป็นยังไงพอดีใช่ไหมอย่าให้สบายเกินไป แค่สบายเกินไปก็ให้เกิดพลังลบอีกแบบหนึ่งถ้าทุกข์เกินไปก็เกิดให้เกิดพลังถ้าสบายเกินไปก็ให้เกิดอะไรความง่วงเหงาเมานอนใช่ไหมถ้าทุกข์เกินไปก็ให้เกิดความอึดอัดขัดขืงแล้วฟุ้งซ่านเราก็ต้องมาดูที่เหตุของความสบายและไม่สบายบริหารตรงนี้ให้ชัดเจนมันก็ไปตัดเหตุเมื่อตัดเหตุตรงได้นิโรธก็มัดมันก็เป็นของมันเองโดยที่เราขยันทำเรื่อว่ามัดแล้วมันก็ นู่นคือนิโรธมันก็ดับไปเองนะาะฉะนั้นก็ไปหลักของสถิติฐาน4ีถ้าทํำจุดใดจุดหนึ่งให้ชัดเจนแล้วมันก็จะบูรณาการไปถึงอริยสี่สถิติฐานสี่โดยอัตโนมัติไม่ยากเลยนะครับแต่ประการสําคัญคือเราจะมีความวัยในการศึกษามากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็นขั้นๆช้าหน่อยนึงเพราะว่ายังไม่มีองค์ความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ทําถูกทําผิดก็ เรียกว่าเรียนรู้จากการถูกผิดของเราไปเรื่อยๆนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะรับรู้มาจากถูกต้องก็ตามแต่ว่าเราไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์มันก็ทำเรียนรู้จากถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้า ง, างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดปัญญาเลือกในส่วนที่มันถูกมากขึ้นผิดน้อยลงนะอันนี้คือหลักในการศึกษาทีนี้เมื่อเราทาได้อย่างนี้แล้วทาไงก็ทาให้มันสเสถียรให้มันมั่นคงถึงเวลาต้องทา แล้วก็เวลามีสองลักษณะเวลาที่เรามานั่งทำในรูปแบบและเวลาที่เราเลิกไปทำกิจกรรใช่ไหมทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกตัวจากส อ, อาสองลักษณะนี้ได้อย่างไรได้มากกว่าเวลาเรานั่งเราต้องการตัวไหนต้องการตัวรู้ล้วก็ระวังตัวไม่รู้แค่นี้เองมันก็จะมาด้วยกันสองอย่างพราะมันเป็นคู่ปรับ ลักษณะเกิดกับดับใช่ไหมถ้าหากว่าจะให้แต่รู้อย่างเดียวไม่ได้ตัวหลงก็ต่างๆมาถ้าไม่มีตัวหลงตัวรู้เกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีตัวมืดคือสว่างเกิดได้ไหมไม่ได้มันก็มาด้วยเป็นโดยธรรมชาติตัวไม่รู้กับตัวรู้วิชาวิชาก็มาด้วยกันเพราะอวิชาก็เกิดจากวิชาและวิชาก็เกิดจากอวิชานั่นเองเพราะไม่กฎของธรรมชาติตัวรู้เกิดจากตัวหลงตัวหลงเกิดจากตัวรู้นั่นเองแต่อยู่ที่ว่าเราจะ ให้จิตของเราเนี่ยมาชำนาญดูตรงไหนระหว่างเกิดกับดับบางครั้งต้องการเกิดบางครั้งต้องการดับไฟเนี่ยเราต้องการเปิดตอนเมื่อไหร่จะเป็นต้องใช้่ไหมพอหมดความจำเป็นก็ดับในาการรู้กับหลงเหมือนกันถ้าเราจะนอนหลับเราโมโลู้อยู่เรวจะได้นอนไหมก็ <c oughs> ทําเป็นหลงเสงหน่อยก็ให้มันหลับอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นต้องใช้ตรงนั้นใช่ไหมไฟเราก็จะเปิดตอนที่เราตื่นเอาเวลาหลับเราก็ปิดไฟเนี่ย มันเราใช้มันโดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้ไงไม่รู้ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมมันผิดนบุรณาการกันไปในตัวดังนั้นเองเราเพียงแต่ตามรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งสองด้านให้มันสมดุลกันไม่ใช่มาให้มันหมดไปนะคุณรู้เท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นคุณหลงเท่าไหร่ก็ขอให้รู้เท่านั้นคุณเกิดเท่าไหร่ก็แค้ดับเท่านั้นคุณดับเท่าไหร่ก็ให้มันเกิดเท่านั้นลักษณะของการเกิดดับที่มันสมรุลกันนี่มันขอให้เกิดอะไรแสงสว่างเนี่ย ในสายสองสายในยสายข้อบว ก, กข้รลบเนี่ยใช่ั้มมันก็ทำงานที่บาลานซ์กันถ้ามาเมื่อไรบวกมากข้อลบไปไงไฟเกิดชอด็อตหรือเกิดสปาร์้ า, มาเมื่อไรมันลบมากไปไงไฟกระพริบก็ดับใช่ั้ยแต่มเมื่อไรข้อบวกข้อลบมันมีฟรีเควนซีหรือความถี่ที่สมดุลกันไฟมันก็สเสถียยนิ่ง เช่นเดียวกันความรู้สึกตัวทุพภามเปลียนสึเหมือนแสงสว่างเนี่ยถ้าเมื่อไรเราสมดุลระหว่างสบายไม่สบายเท่ากันความรู้สึกตัวทุพมก็ชัดเจนอันนี้ต้องไปศึกษาต้องไปบริหารด้วยตัวเองนะอย่าเพิ่งเชื่อมันจริงไหมการลุกการนั่งการย่างการเดินต่างๆทะนั้นก็อยากจะให้เอาไปบริหารจัดการดูช่วงเช้าวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ก็คิดว่ามีองค์ความรู้พอสมควร ที่เราจะเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการในเวลาเรานั่งปฏิบัติก็ดีเราออกไปทำกิจกรรมก็ดีแต่ถ้ามันมีการลืมตัวหลงเกิดขึ้นก็พยายามกลับมาดูไว้บ่อยอย่าให้หลงมากกว่ารู้และอย่าให้รู้มากกว่าหลงและจะสมดุลกันนะก็ควรอุทนาสาธุให้ทาความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจของตัวเองทุกคนทุกท่านเถิน